มีครบหมดทุกอันในเป้หลังพอถึงเวลาจะใช้หยิบไม่ทันหาไม่ได้แบกไปหนักเปล่าๆทาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหลายท่านที่เคยปฏิบตัติเคยรู้ทำข้อนั้นข้อนี้ข้อนโน้นแต่เวลาโจนตัวแชักออกมาใช้ไม่ทันคนบางคนรู้หมดความโกรธไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ต้องแก้ด้วยเมตตา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 ที่ผนึกาธาตุรู้ซึ่งเป็นใจเข้าไว้กับกายซึ่งมาจากดินน้ำลงไฟแล้วก็ชักเคยเยอกันคลุกผลักทุลักทุเลยิ่งมีเวทนาเข้าไปผสมรงด้วยทำให้ยิ่งแยกไม่ออกและยังทุรนทุรายอีกด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นหนทางก็มืดมิดถนนที่ใครชี้บอกว่ามีอยู่ก็มองไม่เห็นตินรนจนตกลงไปในปรับ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 ท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้ฟังถึงแม่ชีท่านหนึ่งบวชตั้งแต่ยังเด็กเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างดีจนคลยๆค า, ยาดดาวว่าเมื่อท่านตายไปคงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วจิตของท่านคงยกพกภูมิไปเป็นเทวดาหรือพรหมเมืม่อท่านเข้าวัยชาราวันหนึ่งขณะเอาผ้านุ่งที่ซักเสร็จแล้วไปตากที่ราว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 ทำให้ใจหมองอยู่ตลอดเวลาประเดียวประเดียวก็นึกถึงตแต่แมลงตัวนี้แล้วก็ท้อใจเสียใจว่าดูเชียหรือเราปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งบัดนี้ศีลบริสุทธิ์ระแวดระวังไม่เคยให้ด่างพร้อยเลยเจ้ากรรมอะไรทำให้มแมลงตัวนี้เกาะติดผ้าแล้วเปียกน้ำจนตายไปจิตใจเศร้าหมอง ที่เคยภาวนาได้ก็ไม่สงบพมัวแต่นึกถึงแมลงตัวนั้นที่เป็นต้นเหตุให้ศีลด่างพร้อยครั้นถึงวาระที่เจ็บจะตายแทนที่จะกำหนดสติให้อยู่กับใจรู้อยู่กับขณะปัจจุบันใจกลับเกิดความท้อม่นมองจนกระทั่งหมดลมไปเลยไปเกิดในอบายภูมิ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 เป็นของจริงของแท้เมื่อหว่านแต่ของจริงของแท้ผลที่งอกในอนาคตย่อมดีแท้เป็นสเสบียงชัยคุ้มตัวให้รอดปลอดภัยเหมือนกับชายผู้นั้นเมื่อไปอุบัติบนสวรรค์แล้วก็ยิ่งตั้งหน้า ต, ตั้งตาสะสมคุณงามความดีให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสําเร็จเป็นอรหรันต์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 คนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีเคยมีธรรมไม่มีธรรมถ้าเข้าใจความสำคัญของขณะเดียวนี้ที่กำลังเป็นอยู่เปิดใจเป็นภาชนะรับความเป็นจริงโอกาสมีเต็มที่ด้วยกันทุกคนยิ่งในวาระที่เจ็บป่วยยิ่งมีประโยชน์มากสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งอ่านพาดเป็นโรคผิวหนัง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 บรรดาพระสงฆ์ในวัดทราบก็พากันมาช่วยพระพุทธเจ้ายกเตียงหามพระอ า, าพาธไปโรงไฟพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระสงฆ์ช่วยกันเบื้องสะบงจีวร น, นำไปซักด้วยน้ำร้อนแล้วพระองค์ทรงชำระล้างร่างที่เกิดกลางนั้นด้วยน้ำอุ่นจนสะอาดร่างกายที่อรุมราวด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัส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 ทั้งที่ตัวแกยังไม่ตายอุบาสิกาลักหลานคนนี้มากห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องอยู่เสมอแกถามท่านอาจารย์มั่นว่าตนจะไปเกิดในท้องของหลานสาวหรือท่านอาจารย์พิจรารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วอธิบายว่าเมื่อจิตรวมคราวต่อไปให้แกตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้ายังเห็นส่งออกไปภายนอกให้กำหนดจิต ตัดด้วยปัญญาให้ขาดอย่าทำเพียงสักแต่ว่าทำนะถ้ากำหนดตัดไม่ขาดเวลาตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่แกกลับมาก็มากำหนดตามที่ท่านอาจารย์แนะนำพอจิตรวมลงสนิทเห็นกระแสจิตเด่นชัดอย่างเคยก็กำหนดตัดด้วยปัญญาจนขาดกระเด็นไปคืนรุ่งขึ้นก็กำหนดดูอีกอย่างละเอียด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 การที่อุบาสิกากำหนดปัญญาตัดกระแสจิตของท่านขาดเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นหนึ่งชาติหนึ่งภพเท่านั้นซึ่งความจริงใจของเราไม่ได้ซัดสายไปสร้างพิมพ์เขียวไว้แต่เพียงชาติเดียวเมื่อไรที่คิดบุ่นวายอยู่ทุกเวลานาทีด้วยความรักผูกพันก็ก่อภวะภพคิดด้วยความผลักไสไม่พอใจก็ก่อวิภวะภพกล่าคือ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 คติพบที่เราไปอุบัตินั่นเองตัวเองเคยประสบมาแล้ว ก่อนหน้านั้นหลงว่าถ้าเวลาจะตายขออย่าได้มีทุกขเวทนาเลยเราจะได้ตั้งสติตามรู้จิตของตนได้ก็เหมือนอย่างกับโชคให้โอกาสได้ทำแบบฝึกหัดซ้อมฝึกดูใจกล่าวคืออยู่ดีๆก็ปัสสวาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดโดยผิดปกติอื่นใด ถ้าไม่ก้มไปดูปัสสาวะของตัวเองก็จะไม่รู้ว่าเลือดออกปนมาอย่างกับท่อประปาแตกมันออกจนกระทั่งพอลุกจากที่นอนไปห้องน้ำปัสสาวะเสร็จก็น่ามืดซุดลงกองอยู่หน้าชักโรคนั่นเองแค้นมีแรงกลับมาที่นอนได้ก็กำหนดจิตไว้กับพุทโทรปรากฏว่าเห็นจิตตัวเองแยกมีส่วนที่เป็นเหมือนผิวน้า ที่สติกำกับอยู่กับพุโทโธพุโทโธบางแสนบางเดี๋ยวก็คลิ้วหายไปเดี๋ยวก็ปรากฏอยู่ส่วนจิตที่เหลือทั้งหมดไร้สำนึกสติแปะลงไปไม่ถึงเดี๋ยวเรื่องนั้นพัดขึ้นมาเรื่องนี้แล้วก็เรื่องโ น, น้นอย่างกับมีหนังกลางแปลงสักสิบโรงฉายให้ดูพร้อมๆกันจะหยุดอันไหนก็หยุดไม่ได้ ใจสั่งให้หยุดพยายามเพ่งพุทโทเสียบลงไปให้เป็นพุทโททั่วพร้อมหมดทั้งใจตอนแรกก็ทําท่าว่าหนังทั้งหมดจอล้มใจจดจ่อเป็นพุทโทยังไม่ทันถึงอึดใจประเดี๋ยวเดียวพุโทโธก็ถูกเปลี่ยนพลิ้วขึ้นมาอยู่ที่ตรงผิวเห็นวับวบแ ว, ว, วมๆตามเดิมน้ําข้างใต้คือจิตทั้งดวง ก็ชุลมุนชุลเกกันใหญ่หยุดไม่ได้เหมือนกับเราตั้งใจประทับปืนเลงทศนาวิสัยภายนอกสงบปลอดโปลง่งไม่มีลมพายุสิ่งบรบกวนใดๆแต่มือของเราเองมันสั่นตลอดเวลาทำอย่างไรอย่างไรก็บังคับเข้าสู่ไม่ได้ก็เลยได้คิดว่าที่คุยอวดเอาไว้ว่าถ้าไม่มีทุกขเวทนา เราจะเลี้ยงตัวรอดนั้นถ้าไม่ได้ประกอบเหตุที่สมควรคือไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้เพียงพอกาลังของมรคย่อหย่อนอย่าคิดว่าจะติดสินบนไปทางรัฐคือไม่มีทุกขเวทนาแล้วจะเลี้ยงตัวรอดหลังจากหายแล้วมีโอกาสได้กลับท่านอาจารย์ท่านก็หัวเราะเบาๆและสักสายว่าเป็นยังไงละ่ะ ไม่มีทุกขเวทนาแล้วเอาตัวรอดไหมละ่ะก็กราบเรียนท่านว่าแม่รอดเจ้าค่ะเพราะเหตุนี้แหละมันจึงต้องฝึกฝึกกันอย่างจริงจังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรท่านไม่เคยตรัสว่าบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะขี้เกียจขี้คร้านเราเคยหลงว่า ตัวเองมีปัญญาสามารถหาทางลัดได้คราวนี้ซึ้งเลยตั้งหน้าภาคเพียนไปโดยสุจริตท่านอาจารย์บอกว่าบนถนนสายมักค่าของเงินไม่ยุบไม่พองเงินสกุลอริยาทรั์ที่ขวนขวายหามาได้เท่าไหร่ก็มีค่าเท่านั้นอย่านึกโกงว่าถ้ามีปัญญามีโน้ยมีนี่แล้วไม่ลงมือประกอบเหตุ คิดสร้างวิมานในอากาศจะทำให้มันพองออกได้ไม่มีดีไม่ดีกิเลสสอดไส้เข้ามาทำให้หลงว่ามีอริยทรัพย์แล้วแต่ปรากฏว่าขนเงินเก๊ไปทั้งนั้นไปถึงไหนเขาก็ไม่ยอมรับเงินของเราเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วจะได้เริ่มฝึกใจของตนเพราะรู้ไม่ได้ว่าเดินออกไปจากห้องประชุมนี้ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรอะไรขึ้นก็ได้หลายท่านรอบรู้ทั้งนั้นเวลาพูดเวทนาอ้อคนละส่วนคนละอันกันกันกบใจให้กำหนดสติรู้ไว้แต่พอเวทนาเกิดขึ้นจริงจริงเราไปเยี่ยมท่านปรากฏว่าหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจไปเสียทุกอย่างท่านว่าใครจะทำไหวก็มันปวดขึ้นมาถึงหัวใจ คุณไม่เจ็บคุณจะพูดยังไงก็พูดได้ลองมาเจ็บดูบ้างสิท่าอาจารย์ถึงเตือนว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้แต่รู้ด้วยสัญญาไม่เคยนำมาลองฝึกปฏิบัติกับตัวเองให้รู้เห็นเป็นปัญญาแจ่มชัดขึ้นในใจเวลาสอนคนอื่นนะ่ะสอนได้สอนเท่าไรเท่าไรก็สอนได้ แต่พอเอามาสอนตัวเองมันไม่ฟังและไม่ยอมฟังไม่ยอมทำตามทั้งนั้นเพราะมันเคยแต่ทำตามกิเลสที่ผูกขาดลากจูงจิตใจเอาไว้ตลอดกาลท่านจึงย้าว่าถ้าอะไรก็ตามเราไม่ทำให้รู้เห็นเป็นขึ้นในใจของเราแล้วอย่าหวังว่าจะคุ้มครองตัวรอดได้ต้องทำให้รู้เห็น ประจักษ์ขึ้นในใจตนเสียก่อนการที่เราจะไปช่วยคนไข้ตัวเองต้องทำให้ตัวเชื่อทุกอย่างที่พูดกับคนไข้ไม่อย่างนั้นพูดไปแล้วคนไข้อาจจะประท้วงว่าแล้วตัวหมอเองเคยเจ็บเท่านี้หรือเปล่าลองมาเจ็บดูบ้างเป็นไรมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นมะเร็งลุกลามไปที่กระดูกตอนที่ปวดกระดูกมากๆ อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือนอนมันเหมือนกับมีปลายเข็มแหลมแหลมทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาทุกรูขุมขนอาจารย์ถามดิฉันว่าลองนึกดูเถิดจะเอาสติไปกำหนดกับอะไรที่ตรงไหนดีต่อมาอยาสมุนไพรช่วยให้ความเจ็บปวดทุเราอาจารย์เล่า ว, ว่าพอรับได้บ้าง พระเจ้าเข็มแหลมๆเปลี่ยนสภาพเป็นแค่กรดก้อนเล็กก้อนน้อยโปรดนึกสภาพดูว่าถ้าเราไปนอนบนก้อนกรดเราจะนอนได้ไหมนอกจากนอนไม่ได้แล้วยังโกรธหงุดหงิดกระสับกระส่ายตั้งสติไม่ได้อีกด้วยแต่อาจารย์ผ่านข้อสอบที่รุนแรงร้ายกาจกว่านี้มาแล้วเลยรู้สึกทนได้ พอตั้งสติได้เป็นครั้งเป็นคราวจิตใจเบาขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามีความสุขยังรู้ว่าอยู่บนเม็ดกรวดซึ่งบางทีก็คั่วไฟร้อนๆ อ, อีกด้วยนี่แหละอนุภาพของทุกขเวทนาความเจ็บปวดถ้าไม่ทำภาวนาให้ใจยอมเชื่อว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเมื่อเราอย่างนั่งสบายอยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเป็นเนบขึ้นมาแล้วสั่งไม่ให้ขยับให้เอาสติ ก, กำหนดจนเห็นเวทนาแยกตัวอยู่เป็นสักแต่ว่าเวทนารับรองทำไม่สำเร็จเพราะเนบไม่ได้รู้สึกอยู่แต่ที่ขามันไปจับอยู่ที่หัวใจจนทนไม่ไหวหาจังหวะที่จะเอาสติไปกำหนดแยกให้เห็นว่าเวทนาก็เป็นเวทนาใจก็เป็นใจ ไม่ได้สติแทรกไม่เข้าเพราะความยึดว่าใจเจ็บด้วยเป็นตัวดึงความเจ็บปวดมาคลุกกับใจจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดแต่หลักมีอยู่อันหนึ่งอาจารย์ลำดับให้ฟังขณะที่อาจารย์พอสบายถ้าใครคอยมาเตือนเอาไว้อาจารย์คะอย่าลืมคะ่ะเอาสติกำหนดไว้กับใจอาจารย์ก็กาหนดได้ คลั้นเผลอคือเวลาพลิกตัวเปลี่ยนท่าขณะที่พริกระดับที่วางแขนหรือขาเหลื่อมไปเพียงแค่หนึ่งชั้นบางๆของผ้ามันก็มีความหมายเหลือแสนภรรยาที่มาเฝ้าพยาบาลอยู่ทุกวันทุกคืนก็แย่จากความเหน็ดเหนื่อยห่วงกังวลอาจารย์ก็แย่จากพยาทิสภาพได้กําลังใจที่ร่อนรอไปทุกวัน ต่างฝ่ายต่างก็พร้อมที่จะประสาทพอจะปลิกตัวครั้งไรใจก็เริ่มเครียดมัวจดจ่อกังวลว่าผ้ารองตรงข้อศอกไม่พอดีบ้างตรงใต้เข่าหนาเกินไปบ้างทั้งที่เรามองดูก็ไม่รู้สึกว่าหนาบางต่างไปแต่ใจของอาจารย์ตอนนั้นไวละเอียดแยกได้เป็นไมโครอนขณะที่มัววุ่นวายกับผ้าเผลอส่งใจออกไปข้างนอก สติก็พลัดหลุดไปจากใจใจกับเวทนามาเกาะเกี่ยวกันแน่นถึงได้พ้าห่มผืนที่ถูกใจมารองแล้วก็ยังปวดอยู่นั่นแหละกว่าจะแยกใจออกจากเวทนาได้บางครั้งหมดไปครึ่งค่อนวันหรือวันทั้งวันเลยสบักสบอมอยู่อย่างนั้นจนพลอยหลับไปก็มีลืมตาขึ้นมาใหม่จึงค่อยมีสติแยกใจออกมาได้ มันเป็นอย่างนี้ขนับเผลอนั้นสั้นเพียงกระพริบตาครั้งเดียวครั้นมันชนะเราแล้วกว่าจะตีตื้นกลับมาได้สะบักสะบอมถ้าเป็นอย่างนี้ครั้งสองครั้งสติจะไหวตัวคอยรักษาตัวเองได้ทันท่วงทีเพราะความเจ็บปวดนั้นไม่สุนทรีเลยผู้มีสติปัญญา มีเหตุผลจะระมัดระวังปรับปรุงใจของตนให้สงบเบาขึ้นแต่ถ้าเป็นพานจะโทษซ้ายป่ายขวาภรรยาก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีพยาบาลก็ไม่ดีหมอก็ไม่ดีทุกอย่างไม่ดีหมดอากุศลวิบากยอดพุ่งชิวแต่แลกมีหนี้อยู่พันบาทพอเสร็จงบบัญชีหนี้เพิ่มเป็นร้อยล้าน ขนาดจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิถ้าไม่มีสติรักษาใจกิเลสจะมาชักจูงให้เราตกหนักเอาตัวแม้รอดเพราะอย่างนี้กิเลสไม่ต้องการปลดปล่อยสัตว์โลกให้พ้นไปจากสังสารวัฏแต่ต้องการห่วงแขนไว้เป็นฆ่าทาตบริวารให้อุ่นหนาฝาดข้างจึงเย้าวยวนชักจูงให้ใจเผลอสติรู้สึกว่า สภาวะรอบข้างเป็นสิ่งไม่ศพอารมณ์เมื่อไม่สพอารมณ์เกิดความคับค้องอะไรๆที่กระทาก็เป็นอกุศลไปหมดเมื่อไม่มีสติแล้วใจก็หมดความไตรตรองยับยั้งช่างตัวงในการจะประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลจึงกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนหากไม่หุดหงิดคับคล้องก็อาจเสียดาย อะไรอวบอนชีวิตไม่อยากตายไม่ต้องการตายใจก็ทุกโรมนัดเดือดร้อนเช่นกันการมาฝึกภาวนาไม่ได้หมายความว่าจะหนีพ้นกรรมไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าเราพยายามช่วยตัวเองเป็นต้นว่าถ้ามีหนี้อยู่หมื่นบาทการภาวนารักษาใจให้ไปเกิดในถิ่นที่สมควรแล้วรู้จักพุทธศาสนา มีผู้ฝึกอบรมบ่มอุปนิสัยของเราให้มีคุณธรรมความดีมีอริยทรัพย์เลี้ยงตัวก็เหมือนกับเรารู้ว่าตัวเองมีหนี้อยู่เขาจะมาทวงเป็นงวดงวดเราเตรียมพร้อมเอาไว้พอเขามาทวงเราก็มีใช้ให้เขาได้หนี้ก็ลดไปโดยลำดับผลที่สุดหมื่นบาทก็หมดเกลี้ยงได้พบชาติที่ไปเกิดแต่ละครั้งก็เป็นมรรค ให้เราขวนขวายช่วยตัวเองปลดหนี้เก่าขณะเดียวกันก็ยุติการสร้างหนี้ใหม่ผลที่สุดก็เป็นไทแก่ตัวแต่ถ้าไม่ฝึกสติอบรมปัญญาไม่รู้จักภาวนาใจปลิวตามอารมณ์ไปอุบัติในถิ่นที่ไม่มีใครสอนให้รู้จักฝึกอบรมจิตใจหรือมีผู้ฝึกสอนใจของเราก็มืดบอด ปิดหูปิดใจไม่รับฟังปล่อยชีวิตให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่อาจชำระหนี้ให้หมดสิ้นได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เราอาจจะปล่อยใจหลงไปอุบัติในภพภูมิสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถดูแลจิตใจได้เพราะต้องกังวลแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตวันต่อวันหาที่พักพิงกายให้ปลอดภัย ไม่เปียกไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินทนเวลาหมุดไปด้วยเรื่องของร่างกายท่านผู้รู้กล่าวว่าขันทั้งห้าเป็นโรงรังแห่งทุกข์เป็นภาระหนักระหว่างดูแลขันอาจก่อบาปก่อกรรมขึ้นใหม่พอเจ้านี้มาทวงเมื่อวานนี้เกิดเจ็บและทันหันเสียข้ารักษาพยาบาลไปหมดแล้ว เลยต้องผัดหนี้ต่อไปอีกนานวันเข้าทั้งดอกทั้งต้นทั้งหนี้ใหม่รวมเข้าแล้วหมื่นบาทอาจกลายเป็นร้อยล้านก็ได้การฝึกอบรมใจให้มีสติมีปัญญาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อก็เพื่อคุ้มครองใจไปอุบัติในที่เหมาะควรจะได้เอาเหตุการณ์ในชีวิตมาเป็นหินรับสติปัญญา ให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงเป็นสัมมาทิฐิอย่างรกรากลงไปจนกระทั่งสติไม่เพียงแค่ลอยอยู่แต่ผิวผิวเป็นจิตสำนึกน้อยนิดเดียวคุ้มครองตัวอย่างไม่ได้หากค่อยอย่างลงไปอย่างลงไปจนอาณาบริเวณของจิตสำนึกลึกลงไปลึกลงไปโดยลาดับอย่างพระพุทธองค์สติของท่านที่ได้ฝึกเต็มรอบแล้ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดแต่ละขณะแต่ละขณะสติก็อยู่กับใจต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนสติที่พัฒนาอย่างนั้นแล้วเป็นสติที่อย่างทะลุจิตไร้สำนึกทั้งหมดทำให้จิตทั้งดวงกลายเป็นจิตรู้สำนึกเพราะมีสติเครื่องระลึกรู้ตามเป็นจริงรักษาอยู่จึงเป็นพุทธ รู้ตื่นเปิกบานคุ้มตัวรอดตลอดไปจิตพวกเรามีเปลือกเป็นพุทธะแต่ไสเป็นกิเลสสารพันชนิดประเดียวประเดียวเปลือกปริแตกทำให้ไสเยิ้มเหนียวหนึบออกมาเคลือบเปลือกมิดหมดเราก็กลายเป็นกิเลสไปทั้งแท่งบริหารกันด้วยกิเลสจึงเอาตัวไม่รอดเวลาที่เปลือกปริคือขณะวิกฤต เหนื่อยมากๆเจ็บปวดหรือไม่ได้ดังใจเวลาสบายๆนั้นพุทธะผ่องใสเบิกบานทำให้หลงตัวไปว่าเราไม่มีกิเลสเหลืออยู่อีกแล้วโกรธก็ไม่เป็นเห็นใครก็สงสารรักชอบไปหมดเมตตาไปทั่วหน้าแต่พอไม่ได้อย่างใจปุ๊บไม่ทราบเปลือกหลุดไปข้างไหนความขี้โกรธขี้เกลียดเยิมดือบออกมา เป็นยางเหนียวพออะไรมาแตะเข้าก็คลุกติดเข้าไปไม่ได้บัญญะบัรรยังมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไม่ประมาทอย่าปล่อยการเวลาให้กลืนกินชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นเราควรขวนขวายช่วยตัวเองฝึกสติปัญญาให้เต็มรอบนึกไว้ว่าเราคือผู้ป่วยสิ้นหวังเพราะยังไงยังไง ตัวเราก็ไม่พนความตายไปได้มันเตือนเราว่าเหลือเวลาอีก20ปีอีก10ปีการคิดเช่นนั้นยังเป็นความประมาณให้คิดเสียว่าผู้ป่วยสิ้นหวังตายเมื่อไหรย่อมได้จะได้ไม่ประมาทและเตือนตัวเองสอนตัวเองให้ฝึกสติเอาไว้มันฝึกเรื่อยไปจนกระทั่งสตินี้เป็นอันตโนมัติคอยรักษาใจ เมื่อใจคิดไปตามความจดจำหรือนึกปรุงไปตามอารมณ์สติจะเป็นห้ามรอให้หยุดคิดรักษาใจให้สงบมีสมาธิเป็นพื้นฐานไม่ไปคิดอกุศลกับใครไม่เพอ้อเจอ้อเปล่าประโยชน์พออารมณ์พัดขึ้นมาสติก็เตือนว่าไม่มีประโยชน์เพราะความด้นเดาคาดคิดคือเงาทั้งนั้นคิดแล้วทำให้เราเห็นผิด ไปก่อกรรมทำเขียนกับผู้อื่นโดยปราบประโยชน์สู้ให้เหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นได้เห็นด้วยตาของเราได้ยินด้วยสองหูของเราถึงตอนนั้นค่อยตอบสนองออกไปเป็นปัจจุบันกรรมที่มีสาระมีสติปัญญากำกับสิ่งที่ทำไปจึงเป็นมรคเมื่อเป็นมรคแล้วชีวิตของเราก็ปลอดภยัยทุกๆขณะของชีวิต เหมือนเรายืนอยู่ตรงทางแพร่งเลี้ยวขวาไปด้วยสติปัญญาสัมมาทิฐิก็เปิดประตูมักเลี้ยวซ้ายไปด้วยอารมณ์ก็กลายเป็นสมุทยัยเปิดโรงงานผลิตทุกทำให้ชีวิตขาดทุนสูญกาไรทุกทุกขณะให้นึกว่าเราจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเราเท่านั้นมีสิทธิเด็ดขาดที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่มีอะไรจะมาบังคับใจของเราได้ถ้าแน่วแน่เด็ดเดี่ยวว่าจะยึดเหตุผลเป็นหลักเราก็สามารถช่วยตัวเองให้เดินรุดหน้าไปบนมักด้วยความรอดปลอดภัยแต่ถ้าทำไม่จริงจังเพลสติเมื่อไรเราก็กลิ้งเข้ารกเข้าพงถูกบ่วงทุกรัดมัดตัวมัดใจจนขาดทุนศูนย์กำไรเรื่อยไปเกิดความท้อถอย เบื่อลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติมีผลแน่หรือคิดเพ่งโทษ ธ, ธรรมะว่าเป็นหมันแทนการย้อนมาตรวจสอบวิธีการของตนว่าถูกต้องรัดกุมแน่หรือหากการฝึกจิตใจเป็นเรื่องไม่จริงไม่จังไร้ผลงมงายเหตุไฉนเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบริบูรณ์ด้วยโภกสมบัติอำนาจราชอาณาจักรจึงไม่ใยดีสิ่งเหล่านี้ หากโลกสมบัติมีคุณค่าสาระสามารถหอบหิ้วไปเป็นประโยชน์ได้จริงจังเจ้าชายสิทธัตถะคงไม่สละเป็นเดิมพันเพื่อออกสแสวงหาวิมุติธรรมตดปรื้งใจจากพันธนาการของความยึดเห็นผิดเป็นชอบหลงวนเกิดแก่เจ็บตายทุกโทมนัตไม่รู้จบวิมุติจิตของท่านเป็นไทยจากวัฏฏวนอิสระ เบาสงบร่มเย็นอย่างแท้จริงหากพิจารณาพระพุทธองค์เป็นหลักเราก็หมดความลังเลสงสยัยเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปหากสิ่งที่พูดกันในวันนี้สะดุดใจท่านผู้ใดให้เริ่มและเร่งปฏิบัติเพราะเห็นตนเองเป็นผู้ป่วยสิ้นหวังแล้วขออนิสงส์จากบุญกุศลเหล่านั้นเป็นภลวะปัจจัย ให้จิตของแต่ละท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรับเชิญมาพูดในวันนี้ดำเนินอยู่บนมักด้วยความแน่วแน่มั่นคงสร้างสมเมตตากรุณาสติปัญญาอภัยให้อโหสิเห็นสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงเพื่อชะล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเทิน